ยังคงเป็นสุรรที่มีความเข้มข้นในเรื่องราวของท่านนบีมูซาอล ส, สลามแล ะ, ะว็ว อ, อุมอนิสราออลซึ่งคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ น, นะครับว่าดินแดนในอดีตที่เคยมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน แล้ก็มีบทบาทในประวัติศาสตร์ของมนุษย์และอารยธรรมทั้งหลายศา ส, สนาทั้งหลายทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นดินแดนที่มีประชากรมีอารยธรรมมีประเทศและมีความขัดแย้งที่เข้มข้นเหมือนกันฉะนั้นการศึกษ า, าัคุ้อ่านที่จะมีการเล่าถึงเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องอดีต ไม่ได้เป็นการเล่านิทานหรือนิยายหรือเรื่องราวของคนหนึ่งคนใดหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดอย่างเดียวแต่มันเป็นการศึกษาที่ไปที่มาของเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แหละเพราะเราก็จะพยายามผูกพันระหว่างอดีตและปัจจุบันและมองถึงอนาคต ด้วยข้อเชืนะจากอัลกุรอานเพราะกุรอานถูกประทานลงมาเพื่อเป็นทางนำแลวก็ทางทางนำนี้ก็หมายถึงว่านานำไปข้างหน้าในมิติว่าด้วยเวลานำเราทั้งในเส้นทางของการ หาคุณลักษณะของความถูกต้องในท่าทีในสถานการณ์ต่างๆรวมถึงทางนำที่จะนำเราไปสู่อนาคตล่วงหน้าให้เรารู้ว่าการที่จะก้าวทุกก้าวเนี่ยคนที่จะก้าวไปในทิศทางที่ไหนและบางที ไป้าวก้หนึ่งในทิศทางที่มันอาจจะผิดเพี้ยนไปหน่อยปลายทางนี่มันก็อาจจะอาจจะไปคนละคนละทิศทางก็ได้การปรับทิศทางการปรับจุดมุ่งหมายของเราให้ชัดเจนเนี่ยมันมันก็จะมีผลในการเดินทางทั้งตัวเราแล้วก็ลูกหลานของเราในอนาคตด้วย อัลลอฮฺ س ละเล่าเรื่องท่านนบีมูซากับบุญอิสราเอลหลังจากที่ออกจากอิบซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์สองประการที่มันเห็นได้ว่ามันมีความเด่น เรื่องแรกก็คือเรื่องอภินิหารมอดิซา ต, ต่างๆที่เราทรงประธานให้ท่านนาบีมูซา่าแล้วก็ให้บนุสราอิลได้เห็นเพื่อเป็นการยืนยันว่าเส้นทางของเขาที่ได้อพยพออกจากอพยพออกจากอิบมุ่งไปสู่ ใบตุลมักดิสหรีอยรัสลิมนั้นมีเหตุผลและก็มีหลักฐานอันชัดแจ้งจากพระเจ้าว่ามันเป็นเส้นทางที่ถูกต้องด้วยเหตุผลว่าบนรอิสราเอลนั้นเป็นคนที่อ่อนแอวั่นวหวต้องการหลักฐานประจักษ์ชัดว่าที่ เขาจะต้องตามท่านนบีมูซานั้นมีเหตุผลเพียงพออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เห็นใจชาวบรรดานิสราอีลที่อยู่ในอิบหลายศตวรรษในสภาพที่ย่ำแย่ที่ถูกค่มเหงมันมันไม่ง่ายหรอกสําหรับคนที่อยู่ในสภาพที่ถูกกดขี่มานานเนี่ยที่จะบอก บอกให้เขาลุกขึ้นต่อสู้คนที่เขาชินกับสภาพชินกับสภาพที่ที่ยอมยอมจำนนยอมแพ้กับศัตรูแล้วก็ดูเหมือนว่ า, าปรับปรับอารมณ์ของตัวเองแล้ว ความเป็นทาสความเป็นผู้รับใช้เนี่ยมันก็คือวิถีชีวิตที่ตัวเองที่ตัวเองพอไปได้หรือจะได้ม า, มาบอกมอันนี้ไม่ใช่พวกเจ้าเนี่ยเป็นประชาชาติที่ประเสริฐมีหลักศรัทธามีความเชื่อมีคำสั่งสอนที่ต้องลุกขึ้นมาทำงานงานชิ้นใหญ่เพื่อประกาศความจริงและสัจธรรมก็ยาก ลักษมณ์พานวดาจะติหนีมูดิซัตย์อเมันอิสราเอลก็ด้วยด้วยนิสัยหรือจะเรียกว่าสันดานก็ไม่ไม่อยากใครนักสันดานของคนที่ชินกับความเป็นทาตเนี่ยความเป็นที่ค่าคงพิจารณะไม่ยอม ไม่ยอมที่จะเปลี่ยนสภาพของตัวเองให้ให้เป็นให้ให้เปลี่ยนมาเป็นสภาพของประชาชาติผู้นำคือจากประชาชาติที่เป็นท่าอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนมาเป็นประชาชาติผู้นำนาน บ, บีมูซาต้องการสั่งสอนในระยะเวลาสั้นค่อนข้างสั้นนะสั้นมากมันยากจึงต้องมีมออจีรศ์เยอะให้เขาเห็น ถึงจะมีมโหดิษฐานเยอะมากเลยนะเราก็เห็นบรรณุอิสรอีนเนี่ยมโหดิษฐานมาแล้วมาแล้วเขาก็เขาก็ไม่ไม่ไม่เคยคิดอนะ่ะไม่เคยไม่เคยได้บทเรียนจึงมีการลงโทษอ่านี่เรื่องแรกเรื่องมโหดิษฐานเรื่องที่สองเนี่ยเรื่องบทลงโทษต่างๆที่อภิสวารค์นวัดทะเลกําหนดพอเราให้หมโหดิษฐาน เขาก็ฝ่าฝืนเราก็จะลงโทษข้อดีของบนุอิสร์อีนนะว่าเขาจะยอมสรภาพในความผิดและก็ยอมปฏิบัติตามข้อลงโทษทั้งหลายและนี่คืออาจเป็นเหตุผลว่าทำไมประชาชาติบนุสเสร์อีในยุคนั้นนะ่ะถือว่าเป็นประชาชาติที่บัเสดยิ่งใช่เป็นประชาชาติที่ดื้อดึงก็จริงนะ แต่เวลา เ, เวลายอมรับในความผิดแล้วก็ถูกลงโทษนี่ก็จะก็จะยอมยอมรับโทษยอมรับโทษอย่างโทษที่ใหญ่หลวงมากที่เขาได้ผิดความผิดที่ใหญ่หลวงก็คือบูชาลูกวัวเลาเราสั่งให้พวกเขาได้ฆ่ากันฆ่าซึ่งกันและกันลองคิดดูสิ อหมายถึงว่าถ้าจะเตาบัตรตัวนะฆ่ากันค น, นที่ตายไปเนี่ยก็เสีดไปแล้วก็คนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็จะยกโทษให้บางรายงานบอกว่าที่ถูกฆ่าดีเจ็ดหมื่นคนตัวเลขในประวัติศาสตร์ตรงนี้ไม่ได้ถูกระบุทั้งในกุรัานและสุนานนะถูกระบุในคำพีแล้วก็หนังสือประวัติศาสตร์ซึ่งอาจจะคาดเคลื่อนก็ได้ แต่เหตุการณ์นี้มันก็บ่งเหตุการณ์ที่อัลลอสุลฮานาอัลลอลงโทษบ่อยครั้งและบนุสรายนิก็ยอมรับทโทษเนี่ยมันก็บ่งถึงความประเสริฐของประชาชาตนินี้พอมาถึงอายาที่160เนี่ยจะมีการพูดถึงเรื่องความโปรโดปรานแนวมากความช่วยเหลือต่างๆ ก่อนน้านี้มีเรื่องมโหฬารความมิ่งเนี่ยพินิหารนี่ให้เขาเชื่อดิว่า น, นี่คือผู้นำของเขาที่มาจากอัลลอฮ์เส้นทางที่ถูกต้องเนี่ยที่พวกท่านต้องเชื่อท่านนบดุมซาเขาก็ฝ่าฝืนพอฝ่าฝืนเนี่ยอั์ AH ก็ต้องโทษนี่อยู่กันอย่างเงี้ยหลังจากเนี่ยมัน AH ก็จะส่งความช่วยเหลือบ้างส่งความปรดปรานบ้าง แล้ก่อนที่จะไปเล่าเรื่องความโปรดปรานที่เราสมฐานวัวดาและประธานไปย่งบรรดุอิสราเอลเนี่ยเรามาเปรียบเทียบดูนะว่าระหว่างบรรดุอิสราเอลแล้วก็ประชาชาติอิสลามบรรดุอิสราเอล อยู่ในสภาพที่ถูกกดขี่ถูกคมเหไมายาวนานอารับก็อยู่ในสภาพที่ตกต่ำมายาวนานตกต่ำนี้ก็หมายถึงว่าเป็นกลุ่มชนเล็กน้อยที่ถูกที่ถูกคมคมถูกกดขี่จากจากอันจักยิ่งใหญ่ในยุคนั้นนะ อาหรับนี่ก็อยู่ในคาบสมุทรอาหรับนี่เป็นเป็นเผ่าพันธุ์เล็กๆที่ไม่มีอำนาจบารมีมากนะักแล้วก็วิถีชีวิตของเขานี่เป็นวิถีชีวิตที่ตกต่ำไม่มีจริยธรรมไม่มีศีลธรรมอะไรที่น่าภูมิใจเลยชีวิตก็คายๆกันแ ล, ล้วส่ง่านนาบีมูซาให้บปนู่อิสราเอลเนี่ย ตื ua, kun, dan Allah ่นตัวลุกขึ้นเราเป็นประชาชาติที่ประเสริฐแต่จะได้เปลี่ยนสภาพของพวกท่านเนี่ยเราต้องอพยพกสงานบีมุฮัมมัดกับประชาอิสลามบอกว่าตื่นตัวพวกท่านเนี่เป็นประชาชาติที่ประเสริฐแต่ต้องอพยพการอพยพของท่านนบีมูซา ไปด้วยนอกอิสาัดมากมายแต่การอพยพของท่านนบี m u ม a m m a d sallallahu alaihi wasallam ดีจัดไม่คยเยอะมากโดยเฉพาะการอพยพของชาวมุฮัจิรีและอังซอรไม่ด้อพยพกับท่านนบีพร้อมๆกันเหมือนที่บรุอิสรอลอพยพกับมูซาพร้อมๆกันไปพร้อมกันไง แต่นบีมุ h ัมมั d เนี่ยไปกับอูบักรเพียงสองคนแล้วก็ชาวมุฮาจิรีนก็ได้ยายกันอพยพบรรดอิสราเอลอพยบพร้อมการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์และคำสั่งมากมายแต่ชาวมุฮาจิรีนอพยบพร้อม ความเชื่อฟังการเชื่อฟังที่เข้มงวดก็ท่านนบีสุลลัาลอเลวะอัลลอฮองปยบคงบริสุรีนในพระสาสธิ์ของยิวนี่มีคุณค่าแล้วก็มี ม, ม, มีมีความมิ่งใหญ่นะถึงขัน้นดีบทหนึ่งในเตรารอรนี่ก็เรียกว่าบทอัลคุรุจอัลคุรุสือการออกออกออกจากอีบนี่นคืออพุปยบ เช่นเดียวกันกาอรอพยพในโบรเซสซิสลาม์นี่ก็มีความสําคัญจนกระทั่งสกสาราตของมุสลิมนี่ก็ถูกนับด้วยเหตุการณ์ของกางอรอพยพแต่พอเรามาเปรียบเทียบจะพบ ว, ว่ากาอรอพยพของท่านของท่านน บ, บีมูซากับเบนุสโลอีนเนี่ยท่านน บ, บีมูซานี่ไม่พบไม่เห็น ความสำเร็จของการอพยพในชีวิตของท่านท่านเสียชีวิตไปเสียก่อนแต่ ท, ะทะ่านนบีมุฮัมมัดอพยพแล้วก็เห็นความสำเร็จของการอพยพนั่นก็คือการพิชิตมักกะแอพยพไปมาดีนะแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นแปดปีเนี่ยให้พิชิตมักกะ การอยพบของบรรดุสราจรีพิชิตพิชิตยอราเซลิมคือใบุลมักดิสเน่ปรากฏว่าในชีวิตของท่านน บ, บีมูซาเนี่ยไม่ไม่ได้แล้วถูกลงโทษโ ด, ดยซำบรรอุสราอนเนี่ยถูกลงโทษเนื่องจากว่าการอพยพบของเขาตเต็มไปด้วยการฝ่าฝืนนี่นะถูกลงโทษให้หลงไปใน ตี้อตี้นี่ก็คือทะเลสายน่าจะเป็นทุ่งทะเลสายของซีนา่ะนะซีสิบปีจนกระทั่งท่านนบีมูซ่านี่ได้เสียชีวิตแล้วอัลลอฮฺสถาปนาลูกศิษย์ของท่านนบีมูซายูชาวบินนูนให้เป็นนบีและเป็นแม่ทัพที่จะนําบรรดาิสราหิลไปพิชิตยุโรซลิมอีกครั้งหนึ่งในเรื่อง เรื่องเรื่องรายละเอียดในการอพยพของบรรดุ伊斯ราเอละท่านนบีมูซามันก็มีบทเรียนมากมายแล้วมันเป็นบทเรียนที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เล่ามาให้รู้ว่าไม่จําเป็นเสมอว่าเราจะต้องศรัทธาอย่างมั่นคงด้วยการเห็นมูฮดิซาดทาไมบรรดุ伊斯ราเอลเห็นมูฮดิซัเห็น จะ่ลลองคิดดูสิถ้ามีถ้ามีหมอดูในปัจจุบันเนี่ยนะไปยืนที่แม่น้ำเจ้าพยาและะ้วก็แล้วก็ตีเขื่อนให้ให้แม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยแยกเป็นสองซีกซีกหนึง่งมันก็เป็นภูเขาอย่างโอ้โหหมอดูนี่ผมคงจะดังก็ดังก็ดโดนัลด์ทรัมป์นะ เขคงจะขายดีมากเลยอะแล้วคนจะไปกราบไปไหว้เขาไปไปขอความบารกัตจะเข้าแล้วคงจะชี้ชี้ประชาชนน่ชี้ขวาขวาตีสายกระสายกรซ้ายเลยนะไม่มีใครจะขัดขืนเลยอะอันนี้สนบีมูซ่าอีกทะเลนะ เห็นมอจิสานี้ก็เป <heute> <laughs> ็นอสราเนี่มเป็นแบบนี้อกลังะกาังบอกมอจิสานี้ไม่จำเป็นน่ะนะถ้าหากว่าเราไม่ได้ไม่ได้มีปัญญาที่จะวิเคราะห์วิเคราะห์คำสังสอนและเห็นคุณค่าของคำสังสอนเนี่ย ข, ขอเห็นว่อทิสัตย์นี้มันก็ไม่มีประโยชน์เช่นเดียวกันการลงโทษการลงโทษใช่เป็นวิธีการที่จะมีผลกับคนทุกคนเนี่ยหาไม่บรุษย์วฤษถูกลงโทษหละครั้ง ก, ก็ไม่เข็ดไม่ได้บทเรียนแต่สำหรับผู้ศรัทธาที่จะ ที่จะสารภาพแล้วก็ขัดเกลาตัวเองด้วยตัวเองพัฒนาตัวเองด้วยตัวเองต่าหาฉะนั้นคนที่เขามีปัญญาสูงกว่าเนี่ยจะมีความผิดน้อยกว่าทำไม่ศึกษาบทเรียนของตัวเองนะและจะไม่ไม่ทความผิดที่เคยทํามาแล้ว แต่คนนี้ไม่ไม่ไม่มีไม่มีสติปัญญาหรือไม่มีบทเรียนจากความผิดของเดเมียบันุอิสรอีนผิดแล้วผิดแล้วผิดอีกถูกลงโทษแล้วถูกลงโทษอีกแล้วก็ไม่เข็ดแต่มระสัมหาห那วะาลก็ยังให้โอกาสในการที่จะใช่อีกวิธีการก็คือการ ให้น้ามาให้ความบริบปรันต่างกับบุนิสราอิลในส ورة อัลอาอับยาณอุไรฮุกซิบเนาะละซุบฮานวดะฮะละก์วาอูดุบิลลาฮิมินษิทุนอันรจ وقد ع ن ا ه مثنى عشرة أسباطا أمما เราได้แบ่งพวกเขาออกเป็นสิบสองเห คือสิบสองกลุ่มเอสิบสองตระกูลเนื่องจากว่าลูกลูกหลานท่านนบียากูบอับดุลไอสฮกต้นตระกูลของบรรดุอิสราเอลยากูบเนี่ยยากูบอับดุลไอสฮกอับุอิบรอฮมท่านนบีอิบรอฮิมเนี่ยมีลูกสองคน อิสฮะกทีราเรียกกันอิสฮะก์อิสฮะก์นะลูกอิสมาเอลทีราเรียอกันอิสมาเอลอิสฮะกตุนตะกูนคงจิวอิสมาอลตุนตะกุนองอาหรับอาหรับ ลูกของอิสฮากนี่ก็คือยาคุบชายาเขาหรือชื่อเขาเนี่ยในภาษาฮิบรูหรือภาษาอารามีก็คืออิสราเอลท่านมีลูกสิบสองคนท่านมีลูกสิบสองคนที่มีที่ ที่ถ่ายทอดที่สืบทอดตระกูลที่จริงท่านมีสิบสิบสามก็คือสิบเอ็ดคนที่ถูกระบุในสุรยูซุฟอินนีรตอาห์ดาชรเขาคะสิบเอ็ดคนแล้วก็ยูซุฟแล้วก็น้องชายเขาเนี่ยก็คือบินยามิน น่าจะเป็นตระกูลของท่านนาบีอซุนีที่ไม่ได้สืบทอดไม่มีลูกหลานเหลือสิบสองต้นตระกูลสายตระกูลเนี่ยสิบสองตระกูลเท่านั้นจากสิบสองตระกูลเนี่ยได้มีสิบสองเผ่าพันธุ์ก็คือกลุ่มหรือประชาชาติ ชาวยิวทุกันนี้เนี่ยเขาก็ขัดแย้งกันวะทั้งสิบสองตระกูลเนี่ยทุกคนเนี่ยยังมีเหลืออยู่หรือมีที่ศูนย์พันไปแล้วแต่มีทุกวันนี้ น, นะมีบรรุิสร อ, อีลมีชาวยิวเนี่ยที่สามารถสืบทอดตระกูลของตัวเองไม่ใช่ชาวยิวทุกคนนะ ไม่ใช่ทุกคนที่บอกว่าเออฉันถึงตระกูลนี้่ไม่เขายิวโดยโดยรวมเนี่ยเขาสามารถบอกว่าเราเนี่เป็นชาวยิวสืบทอดตระกูลเบนุสโลอินเนี่ยโดยรวมออจริงเท็จแค่ไหนเนี่ยก็ไม่มีใครสามารถสืบได้จากการทดสอบด NA สุ่มทดสอบดีเนเอนะก็พบว่ามีชาวยิวที่ไม่ ไ, มได้ไม่ได้สืบทอดเชื้อสาย เอ่อิสราีลอย่างเที่ยงแท้แต่ก็มีชาวยิวทุกคนนี่ที่สืบทอดว่าตระกูลของเขาเนี่ยหลักต้นตระกูลเนี่ยมาจานได้ก็มียังมีบางนะครับอามบอกว่าบรริสราีลแบ่งเข้าไปเป็นสิบสองเหล่าหรือหรือกลุ่ม ห, หรือประชาชาติอุ ม, มามาประชาชาติ เราอีลาโมซาอีดิสทสควาห์เขา م มห์อันดั้รับ الحجر นั่นหมายรวมว่าตอนนี้ก็ไปกับท่านนบีมูซานี่นะเขาก็เป็นแบ่งกันเป็นสิบสองกลุ่มเหมือนกันสิบสองกลุ่มและเราได้มีองค์การแก่มูซา ขณะที่พวกพ้องของเขาได้ขอน้ำจากเขาอ่ะอิริสตัสกออิสตสกนอิสขอน้ำละหมัดละหมัดขอฝนเนี่ยเาเรียกซลาตุลอิสติสกละหมัดขอฝนอิสตสกม่ขอน้าก็หมายถึงว่าเขาไปอยู่ในทะเลทรายของซีนัยแน่นอนครับ ไม่มีหลังน้ำพอค่ามทะเลแล้วเนี่ยก็ต้องใช้ชีวิตเร่ร่อนไปพักหนึ่งที่ทะเลซาเนี่ยก็ไปขอความช่วยเหลือโอ้ท่านนาบีมูซาร์เราไม่มีน้ำจะกินเลยเอัลลอก์ก็กล่าวอาใฮ้นะก็สอนกล่าวบอกให้ท่านนาบีมูซา์ว่า จงตีหินก้อนนั้นด้วยไม้เท้าของเจ้าอิดริบอนดริบเบียซากะฮจระอิดริบอิดริบเบวตีอาซากะไม้ฮจระก้อนหินจงตีหินก้อนนั้นด้วยไม้เท้าของเจ้า ฝนเบิกจะสัตมินหุษณาอาชรตาอีนาแล้วตาน้ำสิบสองตาก็พวยพุ่งขึ้นจากหินก้อนนั้นทำไมสิบสองสิบสองตาละก็เพราะเขาสิบสองกลุ่มอำนวยความสะดวกแค่ไหนเนยคือไม่ต้องมีตาน้ำเดียวแล้วก็มาแย่ง มาเอียงวิดน้ํากันนะให้มีสิบสองดาลแล้วก็แต่ละกลุ่มนี่ก็มามาวิดกันเองมาตักน้ํากันเองให้สบายสบายที่สุดเลยแต่ละกลุ่มชนแต่ละเหล่าย่อมรู้แหล่งน้ําดื่มของตนไม่ไม่ต้องทะเลาะกันเพราะปกติแล้วเนี่ย เพราในทเลซายแล้วก็แหล่งแหล่งน้ำเนี่ยมันน้อยมากน้อยเหลือเกินแล้วก็มีฝูงชนเยอะที่จะต้องพุ่งไปหาน้ํากันเนี่ยนะเขาก็ต้องทะเลาะ ก, กันนะแต่นี้อัลลอฮฺสุบฮานะว่าจะละให้มีตาน้ำสิบสองตาน้ํานะครับจากการตีหินครั้งเดียวของท่านนาบีมูซาให้มีตาน้ำสิบสองตา ส2องตาน้ำนี่พอ ม, มันขึ้นมานี่มันก็วิ่งวิ่งเป็นสายน้ำสิบสองสายน้ำให้ทุกกลุ่มชนฝูงชนของบ้านหนุยสระอินตามตระกูลของเขาอะนะได้มีแหล่งน้ำของตนนี่ก็คือความโปรดปรานการอำนวยความสะดวก มว่าถ้ามีรัฐบาลชุดหนึ่งได้ได้บอกว่ารัฐบาลจะจะให้บ้านทุกบ้านเนี่ยมีเครื่องกรองน้ำกินน้ำสะอาดอย่างดีเลยรัฐบาล น, นี่เนี่ยคงชนะทุกการเลือกตั้งนะนี่ในขณะที่เราอยู่ในประเทศที่ที่เป็นแหล่งน้ำอยู่แล้วนะแต่ถ้าใครดูแลเราเรื่องสาธารณ ป, ป, ประโภชนเนี่ยโอ้โห ถ้าผู้ว่านี่ดูแลเรื่องเนี่ยใน เ, เรื่องการกินอยู่เนี่ยให้มันสะดวกอย่างเงี้ยคงเป็นผู้ว่าตลอดชีพอะความลำบากของบรรดอิสราเอลนี่แล้วกับการอำนวยความสะดวกที่อัลลอฮ์แล้วก็คือมาจากอะไรที่แบบว่า ท, ที่มันเป็นเบนไม่ได้อ่ะตาน้ำพุ่งออกออกมาจากก้อนหินในทะเลสายอย่างเงี้ยซึ่งมันมีความเป็น ความเป็นไปได้น้อยแต่เขาเห็นเห็นกันนะ่ะนะเป็นความปูดปรานอีกอย่างหนึง่งอันนี้ผ่านไปแล้วอันหนึ่งนะเนี่ยบอกเล่าให้เราฟังวันนี่บรรุศอินนี่เขาอ ล, ลาช่วยเหลือเขาขนาดไหน วลันละห้มุลวม่แลเราได้ให้เมฆบดบังพวกเขาทำไมต้องมีเมฆอะก็อยู่ในทะเลทรายทะเลทายมันมันร่มเงาอะทะเลทายร่มเย็นอะทะเลทรายร้อนระอุแต่ในทะเลทรายอะนะตลอด เวลาที่ก็อยู่ในเทเลซาเนี่ยก็จะมีกระมัมเนี่ยไม่ใช่เมฆนะกระมัมเนี่ยเป็นเป็นเมฆเหมือนเมฆที่มีฝนน่ะแล้วเรารู้กันนะนะเมฆที่มันมีฝนเนี่ยจะนํามาซึ่งมันจะปรับอากาศไปด้วยมันไม่ใช่บงังบดบังแสงแดดอย่างเดียวนะเมันมีน้ําที่ทําให้ที่ทําให้อากาศนี่มันสดชื่นไปด้วยอากาศเย็นไปด้วย อยู y y bin, bin al al al ่ในทะเลทรายเนี่ยยังก็อยู ma, ma, hoot, ่ในอากาศอากาศในป่าอย่างเงี้ยเป็นเป็นที่ร่มเย็นดัลล์ล์น่าอัลเลห์มอมรมีทั้งหมดนี้ก็เคยถูกระบุในสุราอัลบาคาระแล้วก็มามาพูดมากล่าวย้ำที่นี้อีกทีหนึ่งดูกระซิบมาบ มาถึงอยายันี่ไม่อธิบายนะนิมลุกฤษบอกว่อาอายันนี่เราจะไม่อธิบายอธิบายไปแล้วสูบ้บกพร่องไปดูเอาผมคงไม่ทําเหมือนนิมลุกฤษนั่นนะผมอธิบายไปแล้วสูบ้บกพร่หงเฮ้ยไปดูให้ยไปดู ต้องต้องอธิบายใหม่นี่เพราะมีพี่น้องหลายคนที่ไม่อยู่ตอนที่อธิบายตอนแรกแล้วก็มีเรื่องที่ผมึศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็มีการปรับปรับความเห็นความเข้าใจแล้วก็ต้องแจ้งให้ทราบ ม, มีเรื่องตีหินให้ตาน้ําพุ่งออกมาสิบสองตาให้มีเมฆมบดบงัง ถ้าก็กระมัมเนี่ยไม่เหมือนสหสหามนี่คือเมฆธรรมดาแต่ถ้ากระมัมเนี่ยคือเมฆที่ที่มีฝน ม, มีน้ำมาอ่านะมันก็จะมีความร่มเย็นไปด้วยสองแล้วนะว่าอันา ل ن ا عليهم المنّ و ا ส س ل แล้วเราได้ให้ลงมาแก่พวกเขาซึ่งของหวาน ละนกนกคุมนกคุมนกคุมนี่คือนกกรทาละอัลมันนัสลวนี่นกกทาประมาณเนี้ยเนี่ยรสล ้นภาษาชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกอ ส, สมานีอรืออ ส, สมามนีเป็นนกอยู่กับพวกพันพันไก่ที่ไม่บินไม่เก่งเนื้อมันจะเยอะปีกมันจะเล็กแล้วก็เนื้อมันนิ่มอร่อยเนื้อแดงแต่นกกระทาเนี่ย นกคุ้มเนี่ยมันเป็นนกที่มาตามฤดูถ้าในซีนหรืออียิปหรือปาลิสตัยเนี่ยมันจะอพยพช่วงหน้าหนาวอพยพช่วงหน้าหนาวและชาวบ้านเนี่ยก็จ ะ, จะก็จะกลางตะข่ายดักมันก็จะได้กินเฉพาะบางฤดูแต่อัลลอฮฺ ให้เป็นมุขจีซอร์คุณว่านี่โซเอลี่นะมาตลอดเลยนกนี่มาตลอดเวลาไม่ตามริดูไม่ตามริดูด้วยนี่สลอัลมันนี่คืออะไรของหวานนี่อุลามาเขาขัดแย้งเงินเยอะมากอัลมันนี่คืออะไรบางท่านก็บอกว่าน้ำึงบางท่านก็บอกว่ามันเป็นมันเป็นของหวานเอ่อ เหมือนลูกเห็บที่ตกมาจากฟากฟ้ามีรสชาติหวานเหมือนมันคล้ายๆลูกเห็บนะครับแต่มันมีฮะดีูว่านื้วันดึกดื่มข้ารดนบีซัลลัลลอฮุอะลัยซูละฮมกล่าวอัลมอะตุมีนัลมันอัลกมอะเนีมันเป็นเห็ดชนิดหนึ่งเห็ดเห็ดใต้ดินนะเห็ดใต้ดินนะเห็ดนี่มันหวาน แล้วเป็นเป็นเป็นเห็ดที่มันขึ้นช่วงฤดูหนาวเหมือนกันนะเห็ดนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาขายโลละห้าพันบาทเป็นเห็ดที่หายากแล้วก็มีคุณค่าด้านอาหารด้านโภชนาการที่ค่อนข้างสูงอัลละ ใ, ให้มันตกลงมาจากฟากฟ้า เราก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดมากนะก็ว่าว่าอันมันนเนี่ยเป็นอะไรอาจจะเป็นน้าบึงก็ได้อาจจะเป็นอาหารอะไรสักสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นอาหารอาหารที่เป็นของหวานทำไมอ่ะเพราะเราเนี่ยคนเราเนี่ยมนุษย์ทุกคนนี่นะบนต๊ะ อ, อาหารนี่ขอให้มีอาหารสามสามหมวดมีเกี่ยวกับ ไม่เกินับห้าหมูนะสามหมวดของขาวของหวานและน้ำใช่ไะของขาวของหวานและน้ำน้ำได้บะได้ยังบานุสรีน้ำได้ยังได้แล้วของขาวได้ยังได้แล้วนกกรทาซึ่งเนื้อนกนี่ถือว่าเป็นของที่หากินยากอะ ไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงด้วยนะของขาวมีแล้วอาขาดอะไรอะ่ะของหวานมันเอลเมนเราก็ไม่ต้องไปค้นหาอะไรมากเราบอกเอลเมนนี่มันคืออะไรเราะอามาขัดแย้งกันเนี่ยแต่ก็ตกลงว่ามันเป็นของหวานแล้วไม่ต้องแปลกใจว่าถ้าหากว่าน้ํามาจากหินแล้วก็นกมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่ได้ตามฤดูอะไรเลย ของหวานนี่ก็คงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับอัลลอ์นะครับที่จเป็นอะไรก็ได้ก็เป็นของหวานลวกันอาจจะเป็นตัวเหตุก็ได้นั่นแหละแต่แทนที่จะแต่แทนที่เขาจะขุดขุดลึกๆกว่าจะกว่าจะเจอ่ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ก็จะได้เห็นหนึ่งก็ต้องขดต้องต้องค้นหากันอาจจะได้นิดหนึ่งมันอัลลอ์ส่งลงมาแล้วก็ขุดนิดหนึ่งก็เจอละไม่ไม่อ ไ, ไม่ยาก ในที่นี่อัลลอ์บอกว่าให้อาหารอย่างดีเลยนะสามบวดครบถ้วนเรียกว่ายิ่งกว่าอาหารบุฟเฟ่์อาหารบุฟเฟ่ย์ต้องไปตักกันเองนะและไอ้ที่ตักนี่ต้องมีคนปรุงนะอ้นี้มันมาจากฝากฟ้าเลยอนะ่ะครบถ้วน อาหารเหมือนอาหารอาารชาววังอะอย่างดีเลยนะกินไปแล้วพักหนึ่งทีนี่ไม่ถูระบุถูระบุในสุรุอัลบากระกินไปแล้วพักหนึ่งบรรดอิสราเอลไม่ชอบเราอยากกินถั่วอยากกินหอมกระเทียมเหมือนอาหารที่เขาเคยกินที่อียิปต์ กินแกงนกอย่างดีกินแกงกะหรี่อย่างดีนะแกงเผ็ดเนื้อแกงเผ็ดเป็ดอย่างเงี้ยไม่เอาอยากกินปลาอะไรประมาณกินปลาไปลุ่น นู่นปากซอยโรงแรมที่รูๆเนี่ยเขาเลี้ยอาหารอย่างดีะไกินอยางม่อยากกินนู่นไปสมตามากซอยนี่ากซอยสร่บักรบอวนน้จะกินนั่นไปยิปนังกลับกลับไปอยู่กับพเอาน่นไปอยู่ในสบายที่ตกตามนู่นคือแทนนี้จะชุกร์ต่อ l l a h س ب ะแทนนี้จะฮะ รู้บุนรู้คุณที่อัลลอฮฺสุลฮานาตาลาได้โปรดปราณเขานี่นะแต่เรื่องนี้ไม่ต้องรับในสุรุตุนับในสุรุตอัลบักระคุลูมิน طيباتمارزقناكم พวกเจ้าจงบริพุกสิ่งที่เราได้ให้เป็นปัจจัยังชีพแก่พวกเจ้าจากสิ่งดีดีเถิด กุลมันต ي ب าดิมา رز กนาคุนี่เป็นการส่งเสริมให้เราเนี่ยให้มนุษย์เนี่ยแสวงหาบริโภคอาหารดีๆเป็นบทเรียนไหมบทเรียนนะอย่างที่บอกอาทิตย์ที่แล้วะคือนกนี่มีเยอะให้กินนะนะมันไม่จำเนต้องไปกินค้างคาวอ่ะ ทั้งนั้นที่ข้งมันก็ไม่ชินนกนะถึงมันจะบินก็ตามแต่มันไม่ช่ว่ไอ้มันมันหมดอาหารมันหมดแล้วอ่ะของที่มันเดินบนบกนี่นะกิมมีให้กินเยอะแยะเลยอ่ะทําไมต้องไปกินงูไปกินขาบอะไรก็ไม่รู้ของที่มันมันไม่ใช่มันไม่น่าจะเป็นของกินของของดีๆที่ที่อัลลอฮ์สร้างมาให้ Allah สรงสัตว์เหล่านี้เนี่ยให้อลสุบฮะ Allah Allah สร้งสัตว์เหล่านี้เนี่ยให้ดูแลรักษาระบบนิเวศของของโลกเนี่ยค้างคาวนี่เนี่ยเขาบอกว่าค้างคาวนี่เลือดมันนะมันมีศักยภาพในการที่จะต้านไวรัสหลายสิบประเภทเลยเพราะค้างคาวนี่มันมั น, ม, นมันกินเลือดใช่ปะ อาหารของมันนี่ก็คือเลือดมันกินเลือดมันกินเลือดจากสัตว์ต่างๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะโดนไวรัสต่างๆมันก็เลยมีภูมิคุ้มกันสูงของมันน่ะฉะนั้นโลกนี้เนี่ยถ้ามันมีไวรัสมีเชื้อโรคอะไรต่างๆถ้ามันถูกปล่อยไปนี่นะ่ะสัตว์ชนิดที่ภูมิคุ้มกันของมันนี่มันแย่นะโอ้ไม่มีชีวิตเลยในในโลกนี้ แต่เราให้มีสัตว์บางชนิดนี่นะจะเป็นอะไรอ่ะเป็นเป็นแอ่งหรือเป็นเป็นคลังที่จะดึงพวกไวรัสพวกเชื้อโรคเนี่ยแล้วไม่ตายมันก็อยู่ของมันอยู่แล้วนะแล้วมันกําลังทําหน้าที่ของมันอยู่แล้วนะฮะ มันดูดอนะมันมันช่วยเราเนี่ยเนี่ยระบบนิเวศของโลกอะนะมันดึงไวรัสต่างๆที่มันอยู่ในโลกนี้เนี่ยเราจะได้อยู่สบายๆมันอยู่ของมันอยู่แล้วนะอันนี้อันนี้อันนี้ที่เขาสนิฐานว่าโครโรนาเนี่ยมันมันมาจากไหนถึงแม้ว่าเขายังไม่ฟันธงอะนะแต่ที่ค่อนข้างชัดๆอตนะว่าคือ กินอาหารอะไรประหลาดประหลาดที่ที่ทีททท่มันมีชือโรคกันล่ะจะเป็นข้างคาวหรือจะเป็นเต่าหรือจะเป็นอะไรก็ตามที่มันไม่อาหารของคนนะแล้วก็มันก็ติดต่อไม่อยู่กับไม่อยู่กับมนุษย์โอ <savior> ้ก็แม้กระทงแม่กระทงไข่หวัดนกไข่หวัดหมูอะไรพวกนี้ วารรัสของพวกนี้เนะี่ยไม่ได้อยู่ในสัตว์พวกนี้นะมันอยู่ในบรรดาสรรพสิ่งที่เขาเอามาบดมาเป็นอาหารให้มันเอามาจากเลือดนู่นเอามาจากขยะเอามาจากอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ให้สัตว์กินสัตว์กินของสปกปรกสัตว์มันก็เลยมันก็เลยมีพวกชโรคเหล่านี้ แต่ ล, ลสุาตอันนี้ในคุรานี่มีมันต้องเป็นข้อสังเกตคำนี้ในคุรานี่อัลพูดบ่อยกูลูมิ่งตอยแม่ทมาปรสจงบริบุกจากคือคว่าจากมินมินเนี่ยจากมินเนี่ยมันมีนยบแต่ว่าให้ให้อะไรให้เลือกมันมีหลายอย่างนะแล้วให้เลือจาก มันไม่ชไม่ใช่มีเยอะนี่แล้วก็ให้เอาหมดเยมีมีอะไรเอาหมดเลยเนะี่ยไม่ใช่มินจาคือเลือกคัดเลือกเอาอะเฉพาะสิ่งที่ดีๆเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยให้กินเราสร้างบางอย่างเนี่ยที่ดีๆสำหรับมนุษย์เนี่ย แล้วดูนะเป็นเป็นเรื่องที่น่าทึ่งจริงๆว่าอะไรที่มนุษย์เนี่ยอะไรดีๆที่มนุษย์กินได้อะนะ Allah อนัลลอลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮนอัลอามาเพลอฮฺลี้ยงแล้วก็ให้มันเจริญเติบโตขยายพันลอฮฺอัลลอฮฺอนะอาหารบริโภคพวกพืชผลทั้งอัลลอลลอฮฺัลลอฮฺัอฮฺนะออฮฺอัลลอฮฺออฮฺอัลออล แต่ไหมขยายพันธุ์ง่ายสัตว์เลี้ยงเนี่ยทั้งหลายนีย่จะดูในสัตว์เลี้ยงที่ที่เป็นอาหารดีๆนะแล้วก็มีประโยชน์นะเออเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ง่ายแต่อะไรที่มันไม่ไม่น่าจะเป็นอาหารอนะครัผมผมไปเห็นที่ที่ ท, ที่ที่เมืองจีนนะฟาร์มแมงป่องอะฟาร์ม เลี้ยงแมงป่องตะขาอย่างเงี้ยแล้วมันใช้ของที่แบบว่ามันมันมันเลี้ยงเพราะเลี้ยงขยายพันธุ์ง่ายอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เลี้ยงงูอย่างเงี้ยเลี้ยงงูเป็นฟาร์มเลี้ยงตระเข้อย่างเงี้ยขณะบางคนเนี่ยก็จะมานั่งถามว่ากินนู่นได้ไหมกินนี่ได้ไหมกินนั่นได้ คือถ้าหากว่าหลงไปอยู่ในป่าแล้ว อ, อยู่ในถ้าแล้วก็ไปเจอจะระเข้แล้วก็กินมาไม่มีอะไรจะกิกนเนี่ยมาถามมาเออเธอตอบให้แต่อยู่ในเมืองอยู่อยู่ในแผ่นดินอันกว้างขวางมีอาหารเยอะแยะกินแต่กะอารมณ์นิสัยนี่ก็อยากจะกินของพวกเนี้ยก็ตอบด้วยคําแนะนําของพระเจ้านี่แหละกู้รูเนียเวลาเคยมาถามว่าอะไรแปลกมากู้รูมันตันีกินของดีด จากสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เป็นปัจจัยยั่งชีพสิอย่าไปขัดเรืองสิ่งที่มันไม่เหมาะสมหรือมันไม่ดีนัจากสิ่งดีๆเถิดกุลูมิ่งติบะติมะรซักนะคุมว่าลามะ ظلم ุมมลูนและพวกเขา หาได้อธรรมแก่เราไม่แต่ทว่าพวกเขาอธรรมแก่ตัวของพวกเขาเองดังหากที่ความมันก็คือบรรดอิสราเอลเนี่ยไม่ได้อธรรมอัลลอฮ์จากการที่เขาได้ฝ่าฝืนคาสั่งของพระองค์แต่เขาอธรรมตัวเองหรือคนนี้หรืออัลลอฮ์กำลังบอกคนนี้ไม่ยอมกินจากสิ่งดีๆที่อัลลอฮ์ให้บริพภกเนี่ยจะไ่กินจากสิ่ง ที่ไม่ดีเนี่ยไปคัดเลือกสิ่งที่ไม่ดีน่ะนะและ้วก็มามาเจอโรคระบาดแบบนี้นะ่ะนะอัลลอฮฺมัลละมไม่ได้อธิษมอัลลอฮ์แต่เขาอาิษมตัวเองต่างหากทารที่อัลลให้ประนุษรุลัยได้บริโภคได้กินอาหารดีๆแบบเนี้ย มันก็อาจจะดูเป็นเป็นเรื่องอภินิหารนะนะว่ามันอาหารที่หากินหากินยากแต่เรามาดูชีวิตของเราในปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเราสุพรรณนาว่าแลาวก็ให้พวกเราได้กินอาหารดีกว่านี้เองพี่น้องว่าไห อย่างน้อยเนี่ยนกเนี่ยเขากินนกชนิดเดียวนะเนี่ยบ้านเรานะ่ถ้าเราอยากจะกินนกได้กี่ชนิดเนี่ยนะโ อ, โอ้โอ้นำไปช่วดงานสุราวนี่ไปดูดิ <laughs> ไก่ทอดไก่ย่างนกกระทาทอดแกงปิด มีงานงานงานเดียวนะงา น, งานสเรางานเดียวจิงเมื่อกูเราเนี่ยไงานสูเราไปงานต่างๆเนี่เรามานั่งคิดเดี่ย ม, มากเดียวแล้วก็เราพูดด้วยความภูมิใจแล้วก็บางทีเนี่ก็ลืมทิ้งท้นี่นะครับพี่น้องงานมันงานมันต้องแบบนี้ร้านค้าหนึ่งร้อยร้านเมนูสองรอชนิดไม่ทิ้งท้ายว่าอัลฮัมดุลิลละซะสนิดหนึง่ง สักนิดเดินพูดด้วยความอลังการโอ้ด้วยความยะโสเลยอ่ะอ้มังนี่งานอลังการมันต้องแบบนี้เมนูสองร้อยเมนูวะลฮัมดุลิลลาอัลลอฮฺให้เราให้ดูดูฮะก็ตันอยู่ต่อต่อเนียมากที่อัลมาห้อุดมสมบูรณ์นะเราเนาะ อุดมสมบูรณ์นะการกินการอยู่อาหารการกินการอยู่นี่ถือว่าผมผมว่าดีกว่าดีกว่าตะวันตกดีกว่าประเทศตดีกว่าประเทศยุโรปบางทีเนี่ยเราแพ้ค่านิยม ตอนนี้อาหารที่กำลังฮิดอยู่ที่เป็นร้านร้านหรูนะอาหารเกาหลีอาหารญี่ปุ่นอาหารยุโรปซึ่งพิเคราะห์แล้วนะอาหารเชื่อชาติพวกนี้เนี่ยก็คืออาหารคนที่เขาเคยอยู่ในสภาพที่ยากจน อาหารฝรั่งที่แพงที่สุดเดี๋ยวนี้คืออะไรสเต็กสเต็กนี่คืออะไรก็คือเนื้อย่างและผักมีอะไรแจ๋วกว่านี้ไหมจานสเต็กที่เป็นหมื่นในตามโรงแรมมะนะันมีแจ๋วกว่านี้ไหมเนื้อย่างและผัก อ, อยู่ที่ว่าเขาตกแต่งกันยังไงแล้วกัน ทำให้มันดูหรูดูรานดูรานเพราะอะไรเพราะยุโรปเนี่ยตะก่อนนู้นจนจนมากเลยอะ่ะเขาทำอะไระเก็เลี้ยงวัวแล้วก็ปลูกผักแล้วใจเขากินอะไรอะ่ะก็กินเนื้อวัวและผักแต่นไทยอะ่ะโอ้ครัวไทยนี่ อาหารหลายกับข้าวหลายชนิดแต่และชนิดเนี่ะส่วนประกอบของมันเนี่ยกลัวจะกว่าจะบรรลุความสําเร็จนะ <c oughs> กลัวจะถึงจุดหมายของมันน่ะนะโอ้เอาแค่เครื่องแกงอย่างเงี้ยผักกี่ชนิดเครื่องเทศกี่ชนิดฮะอะไรแล้วก็มาตําก็ตําแล้วก็ไปผัดนะผัดแล้วก็ไปนึ่งเหมือนเหมือนนึ่งแลยไปด <c oughs> ูนี่อย่างเดียวนะ้นยังยังไม่ได้คุย น้ำจิ้มในเกี๊ยน้ำจิ้มนะยังไม่ได้พูดถึงจาวอะไรมาจิ้มนะแค่แค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มในเกี่อย่างแต่ร้านอาหารไทยเนี่ยจิถ้าจะถ้าจะถ้าจะดูสูงหน่อยนะนู่นจงเพลฟซี่ก็ไก่ทอดอ่ะ มันก็คือไก่ทอดมันคืออะไรก็คือไก่ทอดใช่ไหมเออแล้วก็ถ้าจะเก็บหมวนั้นน่ย ก, ก็จะมีน้ำจิ้มแล้วน้ำจิ้มอะไรอะ่ะก็พืชชนิดหนึ่งสองชนิดอะไรอย่างเงี้ยคือผมมานั่งวิเคราะห์อ่ะนะ่าเวลาอยากจะเออจะดูดีหน่อยนะ่าไปกินอาหารญี่ปุ่นแล้วก็มีตะเกียบกินอะไรอะ่ะก็นิดดิบอ่ะทำไมอะ่ะเพราะชาวบ้านตัอเขาเขาไม่มีเวลาจะปรุงอนะ เขาตกปลามาจากทะเลทุกเวลาดูต้องไปทนะํานาเขาก็กินกินของทิบไงกินดิบก็ก็เป็นวิถีชีวิตของเขาแล้วไงแล้วก็เขามาเจริญเดี๋ยวนี้นะแล้วเขาก็ชอบอาหารของเขาอะ่ะถ้ามาเขาก็มาทําให้มันดูดีแต่มาเผยแพร่เป็นวัฒนธรรมเราเนี่ยแพ้ภูมิแพ้ ผูมมแพ้ว่าจรรมนัตทำคนอืน่นต้องกินต้องกินอาหารดิบโอ้ถ้าปู่ย่าตายายฟื้นคืนชีพมาแล้วก็ไม่เห็นลูกหลานเนี่ยลโอ้ม่มีไม่มีอะไรจะกินนะลูก็ไปกินของดิบอะไม่มีไฟเตาไ <laughs> ม่มีเตาปกอาหารนะลูก <laughs> อ๋อจะเปนแฟชั่นนะ โต๊ะจ๋ากีจ๋ามันเป็นแฟชั่นแล้วคนที่กินอาหารญี่ปุ่นไม่เป็นคนที่เข้าร้านอาหารเกาหลีแล้วก็ปรุงอาหารวาง อ, าอะไรก็คือน้ำต้มแล้วก็ผักฉอยผักผักต้มผักต้มเนื้อต้มไก่ต้มผมบ อ, อกไปสีราชแล้วก็ไปกินของต้มนั่งนนนนอาหารคนป่วยนะ อันนี้แค่พูดแบบคำๆเนยพี่น้องได้เห็นภาพนะว่าก็กินได้อะนะเราอยากจะกินอาหารนานาชาติเนี่ยก็กินได้แต่อย่า ย, ยึดติดความเป็นขี้ข้าของวัฒนธรรมเพราะนี่ไม่ใช่บุคลิกของมุสลิมมุสลิมเนี่ยมังสซฮาบะเนี่ยมีอะไรที่มีให้กินอนะไรก็กิน เขามาเริ่ินึกข้อตอบจะห ح ا ب าคนก็ลังเดินเดินเนหนนเงย จ, จั๊วไปไหนเขาบอกว่าพอดีนึกอยากกินอาหารชนิดนึงก็เลยจะไปซื้อกินเขาก็เงีงัดน่ะพวกคุณนี่นึกอะไรจะกินก็ออกไปซื้อกินกันน่ะอคือแต่ก่อนนู้นนะว่าทนายดามเนาจะมีอะไรกินก็กินไปไม่ต้องแบบก็ไม่ต้องเสาะหากันขนาดนั้นคือไม่ต้องแสวงหากันขนาดนั้น ก็หมายถึงว่าเราอย่าให้เรื่องอาหารนี่มันเป็นเป้าหมายในชีวิตนี่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็อยากจะกินอะไรก็หา ก, กินได้แต่อย่าให้มันเป็นอย่าให้มันเป็นเป้าหมายชีวิตเนะ่รายได้ของเราเนี่ยที่อัลลอ์ให้มานี่นะส่วนมากเนี่ยไม่ควรที่จะไปใช้จ่าย ใ, ในความรูหรความรูหรา ของอาหารกันกินกินได้บางทีรายได้ส่วนมากก็กิดเรื่องบริโภคอาหารนี่แหละแต่ไม่ใช่ในเรื่องหรูหรานะกินอาหารนี่าจานหนึ่งสามารถกินได้ราคาหกสิบบาทร0 0บาทโอ้ไม่ต้องกินแบบสองพ3 0ส0มพบาทหมื่นบาทอย่างเงี้ยทำไมอันนี้มันไม่ใช่คือไม่ใช่ปัจจัย ข อ, ของมุสลิมเราไม่ได้ไม่ได้ถูกสอนอัลลอฮฺสอนง่ายกูลูมินงตยิบาที่มาเราสกินจากสิ่งดีดีดตยิบา ท, ที่เราเรียกฮาลาลอมต ย, ยิบานสิ่งดีๆคลือกและใช้อะไระใช้ใช่รสนิยมของพื้นฐานมนุษย์ทุกคน สามัญสำนึกของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้จะเป็นคนจีนจะเป็นคนญี่ปุ่นจะเป็นคนไทยจะเป็นคนอาหรับเนี่ยชาติไหนก็ตามมันนะเขาก็จะมีความมีสามัญสำนึกว่าอาหารอะไรที่มันเหมาะไม่เหมาะควรไม่ควรดีไม่ดีน่ากินหรือไม่น่ากินถ้าถามว่าคนจีนเนี่ยทุกๆุก ท, ท, ท, ที่เลยอะเขากินข้างข่าวกันเหรอเปล่า เน่คนไทยเนี่ยทุกที่เนี่ยเขาเขากิเนเนื้อสุนัข ก, กันเหรอเปล่าเปล่าไงเห็นไหมแล้วคนไทยส่วนมากในภาษาอังกินไหมเนื้อบ่าไกิน <c oughs> กินได้ใชหก็มีอ่อมีบางคนนี่ก็อาจจะอย่างนั้นนะแต่ดูสามัญสำนึกของคนส่วนมากกันนะมันไม่ใช่ มันไม่ใช่แม้กระทั่งถ้าบางพื้นที่เด่กเขากินอาหารอะไรแบบนี้นะไม่ใช่ว่าเขาจะกินทุกมื้อนะทุกวันนะก็ไม่ใช่ก็ไม่เชิงเหมือนกันนะครับสิ่งดีๆที่มันมีให้กินเนี่ยก็มีอรัท่านน บ, บีมูซาได้พำนักอยู่กับบนุอิสราเอล ได้เห็นสิ่งดีๆที่อัลลอฮฺประทานให้แก่บรรุานิสราอิลแล้วก็ยังเห็นและเสียใจกับการฝ่าฝืนของบรรดนิสราอิลเนี่ยนะได้เห็นมอจีฮาตก็แล้วถูกลงโทษก็แล้วได้รับการดูแลถูกประทานเนียมะต่างๆอย่างดีก็แล้วแล้วก็ไม่ได้ผลสุดท้าย <c oughs> Allah ให้ all ahi, all ah uh u, long, a l ลงโทษให้เขาหลงไปในทะเลสาในสี han, ่สิปีอันนี้ไม่ได้ถูกรบุนในสุรัสอาระถูกรบุในสุรัสอัลมาิดะหลงสีสปีหลังจากสี่สิปีเนี่ย Allah ก็ได้แต่งตั้งท่านนบียูชาบินบินนูนยูช่า บินนูนพอแต่งตั้งท่านนบียูชาบินุนูนี่ก็ยสั่งการให้วะนุสโอินเนี่ยได้เข้าไปพิชิต เมืองอักษะหรือใบตุลมัคดิสรีอุรสลิมเนน่ยเส้นทางนะดูนะเห็นลูกศรนี่ไหม <c oughs> มีความขัดแย้งว่าเมืองหลวง ท่าน น, นาบนีมุลนอิสราอลได้พมนักยู่อียิปเนี่ยกับฟิลราเนี่ยอยู่แถวไหนบางทัศนะบอกว่าอยู่อยู่แถวดซานดซาเนี่ยใกล้ไคโรนี่นะใกล้บิร์มิตรเนี่ยบางท่านเนี่ ย, ยบอกว่าอยู่อยู่ตอนเหนือของอียิปในเมืงองเขาเรียกกันเมมฟเมมฟ จะเป็นทัศนะไหนก็ตามนะครับที่แน่นอนเนี่ยว่าเขาอพยพจากภาคกลางเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ของอาณาจักรอียโบราณมาหลายพันปีเขาอพยพจากภาคกลางเนี่ยไปไปเส้นทางของเขาเนี่ยไปทางทะเลแดงตรงเนี้ย ทัศนาที่ถูกต้องนี้ <c oughs> <c oughs> ว่าเขามาจากตรงเนี้ยเดินทางมาจากตอนเหนือนี่มาจากตรงเนี้ยแล้วก็มาข้ามทะเลอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าช่องแคบนะของทะเลแดงเขาเรียกกันทะเลอัลอาคบะช่องแคบอกกาควะตรงเนี้ย รูคอนักเอาสอิสสวิสแลังจานที่ถูกต้องนี่ว่าที่ผ่าทะเลเนี่ยอันนี้ก็คือตรงเนี้ยแล้วก็ผ่าทะเลแล้วเนี่เขาก็ข้ามฟากไปที่ซีไหนแล้วก็อยู่กันเนี่ยในละแวกเนี่ย อยู่กันในแล้วแอกเนี่ยหลงกันในแล้วแอกเนี่ยก็มีเส้นทางของบรนวิสราอีลที่เขาไปกับท่านนับีมูซาไปรับคำพีจากอัลลอฮ์เนี่ยถ้าตามที่อัลกุรอานได้บอกว่ารับคำพีอัตตวราดที่ภูเขาอัตตูรภูเขาอัตตูรอยู่ตนีอัตตูรนี่นะ นี่เยอยู่ตรงนี้ตอนช่วงใต้ของสีน <c oughs> แล้วก็เหตุการณ์ต่างๆเรื่องที่ได้มีเมฆมาบดบงังได้มีออนกกระทามีของหวานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในทะเลสีนายตรง น, นี้เป็นทะเลสาย ใหรที่เคยไปที่นั่นก็จรู้ตรงนี้ยมันเป็นพื้นที่ทะเลทรายอากาศถ้าหน้าร้อนนี่ก็ร้อนจากถ้าหน้าหนาวนี่ก็หนาวจากถ้าแดดนี่ก็แดดจ้าเลยอ่ะฝ่าฝืนท่านอนับดุลโมตาก็ ท, ทุกคําสั่งนะก็มีบทลงโทษให้เขาหลงอยู่ในทะเลทราย น, นี่ยสี่สิบปีเนี่ยในทะเลทรายเนี่ย และหลังจากนั้นน่ะท่านนบีมูซาเสียชีวิตแล้วนะก็ให้ยูชาบินูนซึ่งเป็นนบีสูตสาบนาเป็นนบีเน่ยให้นำทัพของบรรอิสราอีเนี่ยไปอนอัลอารดุลมุบาระก่ะแผ่นดินที่จำเริญก็คือปาเลสไตน์ กเกิลก่อนที่กเกิลเอิร์ดก่อนที่จะตั้งชื่อประเทศเนี่ยเขาก็ทําประชาวิจารณ์ก่อนเลาว่าจะให้ตั้งชื่ออิสราเอลหรือปาเลสไตน์ก็ก็าชาวโลกส่วนมากก็พราะเป็นประเทศแล้วไงานะเขาก็เลยตั้งชื่อเป็นอิสราเอลแต่ประเทศนี้เนี่ยไม่มีไม่มีมมต้อตอนต้นเป็นมันเป็นประเทศกุขึ้นมา เสนนทางเขานี่เนี่ยจะอตตรงเนี้ยขึ้นไปใบตุลมักดิสอยู่ไหนอืมก็อยู่ตรงนี้มีบางทนะบอกว่าให้ไปเมืองอารีฮะแต่อารฮะนี่มันอยู่ตอนเหนือมันไม่ได้อยู่ในเส้นทางของที่เบอร์แต่สไลซ์อยู่ตรงนีให้ไปใบตุลมักดิสเนี่ยก็อยู่รสซลิมนีละ ยูราซลิมหรือตรงเนี้ยอริยาอยู่ตรงนี้ยมาเยยูราซลิมก็คืออัลกุตส์อริยาอยู่ข้างบนด้วยนะแต่เขาจะเดินทางนไปตรงนู้นได้ไงอ่ะแล้วอันนี้นี่มันสําคัญกว่านี่คือจุดหมายอ่ะของเขาอ่ะยูราซลิมตอนจากนั้นยูราซลิมก็มี ประชาชาติภาษาชาติหนึ่งที่เขาอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มอัลลอฮ์ก็ให้เขาได้พิชิตเมืองนี้ให้เป็นที่อาศัยอยู่ที่พำนักของบรุอิสราเอลซึ่งในพื้นที่ที่เป็นเมืองหลวงเนี่ยแล้วก็เป็นสถานที่พำนักของ ัต์แล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยก็จะมีหลายประตูเข้าเมืองถ้ามีประตูหนึ่งตรงนั้นน่มีประตูเล็กๆอัลลอฮสุบฮานวห์วาลาสัง่งให้เขาได้เข้าจากประตูเล็กๆดังที่พระองค์ตัสไว้ว่า وَإِذْ قِيلَ لَهُ مُسْكُنُوا هَذِهِ ا ل ْ ق َ ر ْ ي َ ة َ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ ش ِ ئ ْ ت ُ م ْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدَخُلُ و الْبَابَ ا س ُ ج َّ د ً ا ن َ غ ْ ف ِ ر ْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ مَا ت ُ ك َ ل َّ ع ْ ة َ بُوَقْهَا جُنْوَىٰ نِعْمَةً م َ ت َ الْمَلَائِكَةِ مَعَ ا ل ْ م َ ل َ ا ئ ِ ك َ ة เาสั่งให้ไปอยู่และนี่คือจุดเริ่มต้นของอาณาจักรอิสราเอลที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยยุชาว น, นุษและก็อยู่หลายพันปีจนถึงกษัตริย์นบูคสเนสซร์แห่งบาบิโลนเป็นกษัตริย์องค์แรกที่ได้รบกับอาณาจักรอิสราเอลนีบานุอิสราเอลนีแล้วก็ได้รับชัยชนะ และในประเทศชาวยิวเนี่ยไปทั่วโลกแล้วก็ตีเมืองยูราเซลิมเนี่ยจนตั้งแต่ยุคนั้นเนี่ยตั้งแต่ยุคของดาวุคเนสน์จะเป็นเป็นกษัตริย์ของบาบิลอนเนี่ยได้ตีเมืองยูราเซียลิมเนี่ยแล้วก็ชาวยิวไม่มีประเทศไม่มีทิ่นของเขาเลย จุดเริ่มต้นนี้ก็คือนี่แหละที่เขาอพยพกับท่านนบีมูซาแล้วก็แล้วก็ไปกับท่านยูชามินุบินนูเนี่ยไปพิชิตเอลราเซลมหรือใตุลมาคติสอัลลอฮ์บอกว่าจงเข้าจงอยู่ในเมืองนี้เถิดและจงบริโภคจากเมืองนั้นณที่ใดก็ได้ที่พวกเจ้าประสงค์ก็หมายถึงว่าอัลลอ ยกแผ่นดิน <intent>? นี้ใ <sur> ห <sa id ain> ้เป็นของพวกเจ้าเข้าไปพิชิตแล้วก็แล้วก็ได้บุรณะเมืองนี้ให้ดีทําหน้าที่ในการบุรณะดูแลแผ่นดินนี้ให้ดีว่ากูลูฮิตตุนเลจุนกล่าวว่าฮิตต์ฮิตต์ตจงกล่าวหิตต์ต์ละมาเขาเัดแยงกัน อ้เรื่นี้ก็ถูกระบุคล้ายๆในหนังสืออัลบาการะแล้วตอนนั้นนะผมทีบายบอกว่าทัศนาของอุลามะสรลับหลายท่านนะเขบอกว่าฮิตต่อเนี่ยถ้าภาษาอับเนี่ยฮิตต่อไปว่าลดลงก็หมายถึงว่าอัลลอฮ์บอกกับชาวอินุสเรเนี่ยเข้าประตูเมืองนี้แล้วก็ได้วิงวอนขอดุอ่าโออัลลอฮ์ได้โปรดลดลงบาปของเรา ลบล้างบาปของเราคาวา่าฮัตต์อุอลมามะกขบอกว่าฮิตตอนี่เป็นภาษาอับเป็นภาษาอาหรับมาจากกราคษ์ว่าฮัตต่ยาหุัตตัฮัตฮ ต, ตแปลว่าลบล้างหรือลดลงจึงมีความหมายว่าโอ้ได้ขอให้ลบล้างได้ลดลงซึ่งบาปและความผิดของเรา วัดขุลลวะศุจจาละจงเข้าประตูนั้นไปในสภาพผู้โน้มศีรษะลงด้วยความนอบน้อมก็หมายถึงว่าสุจจาก็หมายถึงว่าเข้าประตูในสภาพที่รู้คุ้ยหรือสุจูดเพื่อแสดงความขอบพระคุณต่อเขาสภาพอย่างเนี้แล้วก็กล่าวฮิตต่อผมก็อธิมาแบบนั้นนั่นก็คือเข้าสภาพ ฟังต่อนะนักิลกุมขติแอนตุมถ้าพวกเจ้าทำแบบนั้นเราก็จะอภัยโทษอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าซึ่งบรรดาความผิดของพวกเจ้าทั้งหลายที่ทำมาในอดีตมาทั้งหลายเนี่ยพอที่ที่ทำบาปตั้งแต่สมัยนบีมูซาก็ยังมีชีวิตอยู่นะ ยังมีชีวิตยอยู่ที่ตายมีก็มีแล้วก็มีที่ยังมีชีวิตยอยู่นี่ก็ยังมีอยู่แล้วก็ตามท่านนาบียูชาบิ น, นุนีไปพิชิตอักษะถ้าหากว่าได้พิชิตเมืองนี้แล้วเข้าประตูในสภาพที่สุูญนอบน้อมแล้วก็กล่าวเฮตตต์เนี่ยเราจะให้อภัยโทษ เซนาْีตุลมุฮซินีนและเราจะเพิ่มพูนแก่บรรดาผู้กระทำความดีแต่บรรดอิสราเอลทาแบบนั้นไหมก็ยางอีกฟะบดเดลละด ل นัลลัมูโควลั ذ ไงร์ละด ل คิลล์บรรดาผู้อธรรมลานั้นอีกแล้วลานั้นอีกแล้ว ได้เปลี่ยนเอาคำพูดหนึ่งซึ่งมิใช่คำพูดที่ถูกกล่าวแก่พวกเขาเาล่นไงรอลลดีกีล่าเลหให้กล่าวอะไรเยะฮิตต์ผมเนี่ยไปอธิบายตอนจะอธิบายซูฮา์บอกว่เราต้ามีใครทำหน้าคือเขาเนี่ยถูกสั่งให้กล่าวฮิตต์ตซึ่งเป็นภาษารับแปลว่าโอ a ลล a h ได้โปรด ลบล้างบาปของเราแต่เขาทนที่จะกล่าวให้ต้เนี่ยพอยิวเนี่ยชอบบิดลิ้นจนถึงนบีมุฮัมมัดนี่ก็ชอบบิดลิ้นบิดลิ้นแทนี่จะกล่าวใต้นี่ก็กล่าวฮินตอินตแปลว่าฮินตะอันนี้มุฟัซิรนสลับลายทานเี่ยขาที่แบบนี้นะว่าหินตเอนภาษาอานี่ก็แปลว่าเข้าสาลี เห็นแต่แปลว่เขาซาลีก็หมายถึงว่าอัลลอฮ์สั่งให้เขากล่าวฮหต่อแต่เขาไปกล่าวเขาเปลี่ยนเขาบิดแล้วก็ไปกล่าวให้ต่แต่ในบันทิกของอิมัมบุคฮารี อันนี้เนี่ยที่ที่อธิบายแบบนี้อันนี้ไม่ใช่ฮะดีสนะที่บอกว่าเขาจะเปลี่ยนจากฮห้ตอเป็นให้นต้อเนี่ยไม่ใช่ฮะดีสของท่านนบีนะอันนี้เป็นการอธิบายของเซลฟไม่มีฮะดีสแต่ที่มีหะดีสนะจากท่านอิมามบุคารีเนี่ยและที่ทำให้ผมเนี่ยไปค้นหาละเอียดกว่านี้อิมามบุคารีบอกว่ารายงานบอกว่าชาวบรรดอิสราเอลเนี่ยแทนนี้จะกล่าว หิต้นีเขากล่าวฮับบะหับบะแปลว่าเม็ดเมล็ดมีบทวิเคราะห์ภาษาอาหรับที่เขาเป็นคนที่ทาในเป็นนักวิชาการภาษาเปรียบเทียบระหว่างฮิบรูและภาษาอาหรับ เขาว่าในภาษาฮิบรูนะภาษาฮิบรูเนี่ยเข้าสาลีเนี่ยแปลว่าฮิตตอในภาษาฮิบรูนะเข้าสาลีเนี่ยแปลว่าฮิตตอเขากป็นในคนอรคะค่ะคอะไร แล้วทำไมอัลลอ์สั่งให้เขากล่าวฮิโตเป็นไปได้ว่าให้กล่าวให้ตอนี่ภาษาฮิบรูนะพอมาเป็นภาษารับนี้ก็กลายเป็นฮิโตะก็เป็นอะไรก็เปลี่ยนนิดนึงไม่เป็นไรแต่ที่แน่นอนอัลลอฮ์ให้เขากล่าวฮิโตะอันนี้ที่ถูกสั่งฮิโตะแต่ฮิโตะภาษาฮิบรูแปลว่าเขาซาลีเขียวอะไรเขาบอกว่า นี่สัสนายูเนี่ยนี่สัสนายูเนี่ยอัลลอฮุซุ่นห์เราเดาอะไรใช่ไหให้บรรุอิสราเอลเนี่ยว่เวลาไปบูชาหรือไปไปทำไมบ้าเด้คืกคนนั้นให้กันนี่ก็คือไปเวลาไปในสุราเนี่ยแล้วก็ไปละหมาดเนี่ยให้ทําบุญตอนไปละหมาดก่อนไปละหมาด แล้วก็วิธีทําบุญนะ่ะนะของบรรณุสรีตอนไปละหมาดเนี่ยก็คือเอาเข้าวสา เ, าเาสาลีเนี่ยไปให้คนจนแล้วเอาเข้าวสาลีบางสวนเนี่ยเข้าไปในสุเราวด้วยนีย่ไปวางเขาจะได้กันกุศลอักนศสก็เหมือนกิบหลัดนี่ก็เหมือนตําแหน่งที่อิหมามเขายืนเนี่ยให้ไปวางไปวางเนี่ยแล้วก็ละหมาดข้าวสาลี น, น่าจะนจะสนิททานได้หมายถึงว่ า, Allah าอัลลอฮฺซุบฮานะฮว่ า, าลาสั่งเขาเนี่ยบรอิสราเลว่าเขาเมืองนี้เนี่ยโดยพวกเจ้าให้ทำบุญก็คืออะไรอ่ะให้ให้ทำบุญแจกแล้วบริจาคเข้าซาลีและกล่าวเข้าซาลีให้ต่อให้ต่อเนี่ยแต่เขาแทนนี่จะปฏิบัติอย่างครึงครัดแล้วก็กล่าวให้ต่อเนี่ยเขาไม่กล่าวให้ต่อเขากล่าว หับบะหับบะเปว่ามะเล็ดแต่ a ล l บอกว่าให้กล่าวหิตโตไม่ใช่ฮับบะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นทัชนาที่มีน้ำหนักมากกว่าสอดคล้องกับภาษาฮิบรูสอดคล้องกับที่ไปที่มาในศาสนาอิู่ด้วยทุกวันนี้ ที่มสัสยิดอักซ์เนี่ยรอบมสัสยิดอักซ์ก็มีหลายประตูมีอยู่ประตูหนึ่งชื่อประตูฮิตต้าทุันนี้ก็ยังมีประตูฮิตต้ซึ่งในมสัสยิดอักซ์นี่ก็บอกแล้วพื้นที่ที่มีเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์เหมือนกําแพงร้องไห้อันนี้ิดเบือ่อ ที่จริงมันเป็นกําแพงบูรอกไฮท์อัลบูรอกคือกําแพงที่อัลบูรอกนี่ไปยืนอยู่ตรงนั้นนะตาแหน่งที่บูรอกที่ท่านนบีขี่จากมักกะไปยูราซลินไปไปดุลมักดิสเน่แล้ก็ไปยังฟากฟ้านี่นั่นน่ะยืนอยู่ตรงนั้นนะอัลบูรอกเขาต้องการบิดเบือนประวัติศาสตร์ัองค่ะ อามุสอ no no ัลกุบฮานะอวดะฮ์ละสังบในนบูซัดฮานีให้ปฏิบัติเรื่องล็กๆน้อยๆทำอะไรอ่ะพิชิตพวกเจ้านี่ไม่ต้องทำอะไรเนี่ยเข้าแล้วก็อัลลอฮฺจะช่วยให้ชิตในสุรษัลมาิดะยูชาบินนะบอกกบเสเนี่บอกว่าใครจะมาสู้กับาไปสู้ เนี่ยเจ้าเมืองของเยรูซาเล็มซาบินุสือบอกว่าไม่เอาว่าเราไม่สู้หรอกเจ้าไปเจ้าไปสู้กับพระเจ้าของเจ้าอิดฮามอันตะวารบุกะฟะกะติละอินนาฮูนะกเราไม่สู้ยุซาบินุนบอกว่าไม่ต้องทําอะไรเลยแค่เข้าเมืองนี่ก็เขาจะยอมแพ้แล้วเราแค่เข้าประตูนี่เราไม่ต้องทําอะไรเลย ก็มีกลุ่มน้อยเท่า น, นั้นเลยเขาไม่เชื่อไงยังไงจะเข้าเมืองไงไเรากลัวจะเข้าไปสู้แล้วก็ไปสู้รบจะไปไปฟันกันไปฆ่ากันเอาไม่เอาไม่เอาดีขาดไม่ยอมก็มีกลุ่มน้อยที่เชื่อก็จริจงเขาไปแล้วอะนะกลุ่มน้อยนี่ก็ไปพอเข้าแล้วอะนะก็ยอมแพ้เลยไม่ได้สู้ไม่ได้อะไรเลยแล้วก็บอกว่าเข้าจากประตูนี้ ย่าเข้าจากประตูใหญ่ๆอลังการแสดงความอลังการเข้าด้วยความนอบน้อมถ่อมตนเป็นประตูเล็กประตูฮิตต่อเนี verder, hint, ่ยทวันนี breathe. ้นี่ก็ยังอยู่ประตูเล็กเข้าจากประตูนี้ในสภาพที่สูญหุ่นอบน้อมถ่อมตนก้มหัวแล้วก็เอาข้าวสาลีเนี่ยมาแจกแล้วก็ไปวางที่ละหมาดจะได้ละหมาดขอบคุณต่อพระเจ้าแต่บัตรอะไรที่นั้นเขาก็ไม่ปฏิบัติตามนั้นทำยังไงอ่ะ เขาบอกว่าตอนเข้าเนี่ยเนื่องจากว่าประตูนี่มันเล็กเขาก็เลยนั่งบนก้นเนี่ยแล้วก็ขานบนก้นบนเข้าบนคนนี่เปลี่ยนระบิดลปปบบบบและสองไม่เก่าวฮ้ต้อเก่าฮับบะฮับบะฮับบะแล้วไม่สุจุดไม่ขเข้าในสภาพที่สุจุด فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون การลงโทษจากฟากฟ้ามายังพวกเขาเนื่องจากเนื่องจากที่พวกเขาละเมิด ب م ม ك ا ل م ن การลงโทษจากฟากฟ้านี่คุณละมาที่บอกว่าทุกอย่างเลยฟ้าผ่ารูกระบาด ฝนตกหนักก้อนหินจากฟามีทั้งหมดเนี่ยที่บรรดาประชาชาติยุคก่อนนี่เคยถูกลงโทษสะรับบอกว่าหนึ่งในการลงโทษที่จะลงมาจากฟากฟ้าที่อัลลอ์เรียกว่าอิจเนก็คือโรคอรัลลอฮ์หนึ่งในการลงโทษที่อัลลอ ส่งมาจากฟากฟ้าเนี่ยก็คือโรคระบาดโลกนี้ก็มีดชนีวัดความอลังการของประเทศ ประเทศไหนที่มีอาวุธมากที่สุดประเทศไหนที่มีจีดพีสูงที่สุดประเทศไหนที่มีรายได้ดีที่สุดประเทศไหนที่มีเทคโนโลยีดีที่สุดประเทศไหนโอประเทศไหนเนี่ยไม่มีใครเอาชนะมาเนาะประเทศไหนประชากรเยอะที่สุดประเทศไหนนี่แผ่นดินใหญ่ที่สุดนะประเทศไหนรถใหญ่ใหญ่โอ้ไปดูนี่สรรพคุณประเทศมหาอำนาจทั้งหลายนี่นะใหญ่โตจะทําไม ทำไมมันแพ้อะไรที่มองไม่เห็นนะแล้วก็นักวิเคราะห์ข่าวนีก้ก็เอาเรื่องนี้เนี่ยมาขำบก็นี่เนี่ยในโซเชียลนี่ก็บอกว่าจีนถูกลงโทษจากพระเจ้าเขาขำหมายถึงว่าพูดอะไรแล้วเทอไม่เข้าท่าก็ายังก็ยังเห็นไะ มันก็ไม่แปลกว่าชาวเยวททำไมถูกลงโทษเอาเนี่ยเขาก็ายังไงกับปัจจุบันเนี่ยก็อย่างนี้แหละเนี่ยโดนโรคระบาดขนาดนี้เนี่ยไม่รู้มาอย่างไงอ่นะก็ยังมีคนยังขำอยู่ยังมีคนขำอยู่ยังไม่เข็ดกันอย่างเงี้ยยังไม่เก็ตอนะ่ะผมดูสานักข่าวบางกเอาเรื่องที่โซเชียลเขาพูดว่าเนี่ยจีนเนี่ยทำชาวบ้านไว้ซะเยอะเลยอ่ะนะก ทังชาวอุยกูเนี่ในค่ายนี่นี่โดนกักขังกันทั้งประเทศเลยอะ่ะมันมันไม่มีสมองที่จะคิดบ้างอว่าวันมีความไปได้สูงมากอะ่ะถ้าคนไทยเนี่ยแม้กระทั่งชาวพุทธเนี่ยนะเขาก็เชื่อในเรื่องบับก ร, รมเนี่ยาคนเนี่ยเยกิดเคลกกรรมมาละ่ะไปทำไปทเขาก็ดนเสียเองอันนี้เชื่อง่าย แตบงคนที่ไม่เชื่อในเรื่องพระเจ้าเรื่องเดชานุภาพของอัลลอฮ์นี่ก็จะเออก็จะเริ่ําๆกันราบอกว่าโรคระบาดที่มาจากไหนยังไงอะไรเองก็ก็วิเคราะห์ทางแพทย์วิเคราะห์ทางทางวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่เจอสัทีหลอกชาวบ้านมาสองสมเดือนแล้วนะบอกว่าเอ่อไวรัสนี่กว่าจะเพาะตัวนี่สิบสี่วันที่ไหนบอกว่ามากกว่านั้นหลอกชาวบ้านบอกว่า ไวรัสนีเนี่ยมันออกจากนักร่างกายนี่มันอยู่ไม่นานอ่ะนี่เขาบอกว่าเก้าวันเนี่ยมีชีวิตอยู่ไปเจอนี่ยประตูนี่ยังเจอไวรัสนี้ยังมีเลยอ่ะฉะนั้นถ้าถ้าถ้าใครจากอู่ฮั่นเนี่ยมากดมากดลิฟต์หรือมาจับบันไดเลื่อนหรืออะไรแถวนี้น่ะนะเมื่อสักแปดอันนี้ที่เขาพบนะ ที่เทียงยังคนไม่เจอเนี่ว่าอาจจะอาจจะอยู่นานกว่านี้ก็เป็นไปได้นี่ที่เป็นแล้วเนี่ยที่ติดเชื้อแล้วนี่เนี่ยหกหมื่นจากเทไรนะตอนเริ่มต้นเนี่ยช่วงช่วงธันวาเนี่ยที่ประกาศห้าสิบคนอันนี้หกหมื่นละก็เขาแจ้งข่าวดีกับ คนไทยบอกว่าเราไม่ต้องกังวลแล้วครับเพราะโรคนี้มันไปทั่วโลกแล้วทำไ ม, ามาพวกกังวล ก, กันทั่วโลกง่งเราจะเปเราจะไปอะไรนักการหนามากกว่าเขามันไปหมดแล้วอีบก็เจอแล้วทุกที่มันไปทุกที่แล้วแต่ข้อสังเกตซึ่งน่าจะเป็นอะไรที่น่าจะเป็นบทเรียนนะผมดูแล้วนี่ว่า มนุษย์ในยุคนี้เนี่ยก็ยังยังกระด้างหัวใจยังกระด้างบทเรียนแบบนี้เนี่ยแทนที่จะถึงถึงท่านไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในเดชานุภาพของอล้อนี่นะพยายามพยายามสนึกในตัวเองบ้างิว่ามนุษย์ในยุคในยุคนี้เนี่ยคือห่างจากศีลธรรมเกินไปอะ่ะโดยเฉพาะประเทศจีน่ะ โดยเฉพาะวิทนทางจากศีลธรรมเหลือเกินนะซึ่งซึ่งเราควรที่จะทบทวนเรื่องนี้มนุษย์ทุกที่นะในโลกนี้ควรที่จะทบทวนเรื่องนี้แล้วมันไม่เสียหายมันไม่เสียหายการทบทวนเรื่องศีลธรรมนี่มันเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นเงื่อนไขนหนึ่งของอารยธรรมมนุษยนะ์คือประเทศที่ไม่มีศีลธรรมนี่ถือว่าไร้อารยธรรม ผมก็บกว่าประเทศไหนนี่ที่ไม่มีไม่มีองค์กรเอ็อช่วยเหลือสังคมไม่มีความเอื้ออาทรกันนั่นน่ะนั่นคือประเทศประเทศเถื่อนน่ะสังคมเถื่อนก็คือไร้ศีลธรรมการนี่สำนึกว่าเราขาดศีลธรรมเราห่างไกศีลธรรมมันไม่เสียหายนะถึงว่าจะไม่ไม่ต้องไม่ต้องเป็นมุสลิมหรือไม่ไม่ไม่เชื่อในศาสนาไม่เชื่อในพระเจ้าก็ได้ แต่ามาทุตัวนิดนึงอะไรเราวัตถุอย่างเดียวเทคโนโลยีอย่างเดียวเรื่องร่วมสมัยทันสมัยอย่างเดียวเรื่องศียและทำไม่มีเลยเหรอมากลับมามาถอยมานิดนึงว่าคุยกันนิดนึงไม่น่าจะเสียหายนะครับนี่ก็จะเป็นบทเรียนที่เราได้มาจากเรื่องราวของบรรณุสิริแล้วก็ยังมีอีกนะครับเรา คาดว่าอันชาติละในเดือนก่อนที่จะถึงเดือนรอมฎอนนี่เราจะได้ต่เสียดสู้อาราบนี่ให้หมดก็ช่วยขัดข้องอุกอาจนะครับ